พามาทางนี้บางคนก็เข้าใจจะเห็นว่าเป็นคาเล่นๆกับตื่นเถอะบางคนอาจจะก็เป็นของเล่นๆแต่ความจริงมีความหมายว่าเนาทุกคนเคยนอนหลับกันมานานค่ะว่ากินเท่าไหร่ไม่หายอยากอันนี้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยรอให้ฟังจาได้ กินเท่าไรไม่หายอยากพระกอแสดงให้ฟังนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นก็รักตนของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่สั้นๆเราก็เลยว่ายาวปอกมะพร้าวหรือหมากพร้าวเนี่ยว่าบ้านอาจจะมาเรียกปอกหมากพร้าวถึงเอาแค่วกัด มีลูกอ่อนกอดลัตไม่รู้วางคนตาบอดหลงทางไม่ถามใครนี้จระเข้ใหญ่คือแค่บ้านอาตมาเลยว่าแค่จระเข้ใหญ่แล้นลงน้ำขึ้นต้นไม้สูงสุดไม่มีทางไปก็กลับคืนมาทางเดิมอันนี้เป็นปัญหาท่านมาั้ง คำว่ขาขึ้นต้นไม้สูงสุดแล้วกลับคืนมาทางเก่านี้อันนี้ท่านว่าคนรู้ธรรมะต้องแสดงธรรมะให้คนฟังกลับมาแสดงรู้ธรรมะและไม่ใช่จะหนีโลกไปเช่นวานนี้แต่วอมันจริงอยู่แต่มันไม่จริงโดยเฉพาะที่คนเข้าใจกันคำว่ขาขึ้นต้นไม้สูงสุด กลับคืนมาทางเก่านี้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ควรจะศึกษาให้รู้จำพวกที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำกรรมฐานจะเลยมีปรัชนาขอต่างเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจธรรมะสั้นลึกอย่างนั้นอันนี้เขาบอกอยู่อย่างสูงกินอย่างสูง นั่งนอนอย่างสูงแต่กลับไปทํางานอย่างต่ําที่เคยพูดให้ฟังกันมาหลายครั้งทําไมตัวเองว่าตัวเองเข้าใจธรรมะไปทําอย่างนั้นได้ไปพูดอย่างนั้นอันนี้เลยว่าเรารู้ธรรมะขั้นสูงเลยพูดธรรมะไม่รู้เรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาว่าทํางานอย่างต่ำ อาตมาเคยพูดให้ฟังอยู่อย่างต่ำวันนี้ตรงข้ห้ามจินอย่างต่ำนอนอย่างต่ำแต่มุ่งทำงานอย่างสูงเรื่องชีวิตจิตใ จ, จนี่เป็นสิ่งที่สูงที่สุดควรจะพูดกันเรื่องนี้ให้มากและก็นแนะแนวทางเรื่องนี้ให้มากเพื่อพากันตื่นเถอะตื่นจากที่นั้นลุกขึ้นมาทางนี้ บัดนี้ก็ต้องอยู่ที่นี่และไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีและไม่ต้องสู้ทำยังไงดูลงที่นี่ดูที่ไหนดูการเคลื่อนไหวของรางการและดูการเคลื่อนไหวของจิตใจจินเท่าไรจึงไม่หายอยากจินเท่าไรไม่หายอยากยิ่งดูก็ยิ่งรู้ตัวเอง มันยิ่งคิดเขายิ่งรู้ภาวะของจิตใจอันนี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะเราศึกษาตัวเองต้องรู้ตัวเองอันนี้เรียกว่าอยู่อย่างต่ำํำกินอย่างต่ําแต่ทํางานอย่างสูงที่เข้าใจอย่างนี้อาตมาบวชมานี่หรือว่ารู้ธรรมะอันมาที่เราให้ฟังในวันนี้ อายุ46ปีเป็นโยมอยู่สองปีกว่าไปปฏิบัติธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นโยมรู้ธรรมะอันนี้มาพูดอย่างอื่นไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันไม่คล้องกับจิตใจตัวเองมันไม่เข้าจังหวะของตัวเองฉะนั้นลักษณะการพูดอย่างนี้จริงๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จริงๆ จึงจะสมกับคำของคนใหม่ๆก็ได้หรือคนเก่าๆก็ได้พูดกันว่ายอมเสียเงินเสียทองหรือเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาร่างกายคืออวัยวะของเรานี่แหละเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอเอาเงินให้เขาจ้างเขาเสียสละเงินทองออกไปเพื่อรักษาร่างกายของเราให้อยู่ดีมีแรง บัด น, นี้ถ้าหากร่างกายเนี่ยไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าควรตัดเนื้ออันนี้ออกไปเนื้อร่างกายส่วนนี้ออกไปถ้าไม่ตัดออกไปจะไม่มีชีวิตอยู่ได้ต้องตายก็ยอมตัดยอมตัดร่างกายส่วนที่ไม่ดีนั่นออกไปเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองบัด น, นี้ แม้ชีวิตจะตายก็แล้วไปแต่ขอให้ได้พูดความจริงคือสัจธรรมคำสอนที่แน่นอนที่สุดคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบเป็นคนแรกที่สุดก็เลยพูดอย่างนั้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนแต่เรื่องชีวิตจิตใจของคนเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะเล่าประวัติของตัวเองกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละ ไปโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าอย่าพูดมากหลวงพ่อไม่ให้พูดเกินห้านาทีอย่างมากที่สุดหลวงพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงสองปีรเป็นเนื้องอกขาว่าเป็นมะเร็งจะไม่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากผ่าตัดแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ภายในสองปี แต่หมออยากผ่าตัดในช่วงที่ไปอยู่กรุงเทพตัวเองก็ไม่ยอมพาตัดเพราะงานเรามีอยู่วันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีงานถ้าพาตัดแล้วงานเนี่ยคงจะไม่สะดวกดีก็เลยขอร้องจากหมอไม่ต้องผาตัดแล้วหมอมีแนวทางที่จะรักษาได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าพอนี้พอมีให้ยาไปกิน แต่เราก็เลยให้กินยามาพอทุเราหมอกคำซับบอกว่าย่าพูดนานอย่าพูดนา น, า น, านแต่ก็จําเป็นแม้สิชิตจะโล้ตายแล้วเดียวนี้ก็ตามต้องพูดธรรมะในต้องพูดไม่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องพูดกินเท่าไรไม่หายอยากกินเท่าไรไม่หายอยากคือพูดธรรมะเรื่องชีวิตจิตใจเนี่ย มันพอไม่เป็นไม่ใช่ว่าไปทำบุญให้ทานเอาบุญมากๆบุญนี่พอไม่เป็นอันนั้นถูกแล้วแต่คำสอนของพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเคยสอนเอาไว้เช่นนั้นนอนหลับไม่รู้ตื่นนะ่นคนเรามันชอบชอบลืมตัวชอบลืมตัวพูดคุยกันเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้คนนั่นดีคนนี่ชั่ว ชอบพูดเรื่องนั้นมากเพราะนิสัยของคนมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่ากินเท่าไหรไม่หายอยาก mm. แล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นหน้าที่ที่จะพูด mm. ก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่มีการสิ้นจบดังนั้นการศึกษาหลักธรรมะที่อาจจะมาพูดที่จบเป็นถึงที่สุดแล้วก็จบกันการพูดคุยที่นอกจากชีวิตแต่แล้วจบไม่เป็น คนนั่นพูดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้อย่างนั้นคนนี้พูดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้อย่างนี้ไม่จบเป็นการเดินทางไปอยู่นั้นรักคนอื่นก็รักตนไม่สอบพูดเรื่องของตนสอบพูดเรื่องของคนอื่นทําไมตัวเองอ่ะยังมีชีวิตจิตใจทําไมจึงไม่พูดของจริงที่มีอยู่ในตัวเราถ้าคนดีมีจริงก็ต้องพูดเรื่องตัวเรา ตัวเรามีดีเรื่องอะไรชั่วเรื่องอะไรเอาเรื่องของตัวนั่นไปพูดถ้าคนอื่นชอบก็เอาคนอื่นไม่ชอบก็แล้วไปที่อจะมาพูดนี่ให้ในขณะนี้ก็ตามพูดให้ฟังคนใดชอบกอน็นำไปปฏิบัติคนใดไม่ชอบก็เป็นธรรมดาจะห้ามไม่ได้แล้วก็ บ, บังคับไม่ได้เพราะเรื่องชีวิตเนี่ยจิตใจนี่ ไม่มีตลาดขายบริษัทห้างร้านที่ไหนมีขายชีวิตกันมีขายจิตใจกันและประเทศไหนข า, ขายเรื่องชีวิตขายเรื่องจิตใจกันทำไมคนเราจึงไม่ศึกษาที่ตรงนี้เพราะเรื่องอะไรเราไปสนใจกันเรียนหนังสือมากๆมีความรู้สูงๆหาการงานอย่างดีๆได้เดงินๆมากๆเราว่าเรามีความสุขจริอย่างนั้น อันนั้นมันไม่ใช่สุขในทางพระพุทธศาสนาสอนมันมีความสุขของคนหลงผิดนึกว่าเราจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายพระว่าของสั้นจึงสําคัญว่ายาวชีวิตของเรานี่เมื่อยังหนุ่มหนุ่ม น, น้อยๆเนี่ยทำไมไม่ศึกษาเพราะเรื่องอะไรไปศึกษาเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่ไม่ได้ห้ามการศึกษาเราเรียนอย่างสูงสูงมันดีแล้ว ดีแล้วหาตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนมากมนั่นดีแล้วดีแล้วแต่ว่าอย่าเป็นคนมักลืมตัวบัด น, นี้กลับมาพูดกันเรื่องนี้อีกพักหนึ่งว่าถ้าศึกษาธรรมะตัวเองรู้จบเป็นไม่จบศึกษาชีวิตตัวเองรู้จบไม่จบถ้าจบแล้วทำงานอะไรได้ไหมได้กินข้าวเป็นไม่เป็น ทำงานระดับก็ได้ได้เพราะเรื่องอะไรเพราะสิ่งนั้นเห็นว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นเราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ต้องทำการทำงานตามหน้าที่ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าหน้าที่ของตนต้องทำต้องทำมีการงานต้องทำไม่ใช่จะละเลยหน้าที่ไปได้อันนี้เรียว่าอยู่อย่างตำ่ำกินอย่างต่านั่งนอนอย่างตำ่ำ แต่ทํางานอย่างสูงไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ทานรักษาสิน้นเจริญสมถะกรรมฐานจเจริญนิพพานากรรมฐานถึงที่สุดแล้วกลับไปทําสิ่งที่ผิดๆอันนั้นเรียกว่าอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนั่งยอนอย่างสูงกลับไปทํางานสิ่งที่ผิดๆหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ มันเป็นหน้าที่ของคนที่ไม่รู้มันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาจึงเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเข้าใจคำว่า ก, กอดมะพร้าวมะพร้าวเอาแค่วกัดมีลูกอ่อนกอดลัดไม่รู้วางคนมันมีอุปทานชอบทาสิ่งที่เลวร้าย ชอบทำที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ชอบทำที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนมันสอบทำหน้าที่ของจัตยานั้นคนกับสัตมันจึงจิตใจเสื่อมผลกันอยู่เราดูหน้าตาท่าทีเราเรียกว่าคนแต่จิตใจมันเลว้ายจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนได้ไม่เป็นไม่ได้เป็นได้เฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ใจสูง คำว่าคนกับมนุษย์นี่จึงไม่เหมือนกันเมื่อศึกษาธรรมะจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เฉพาะผู้ที่มีญาณปัญญาหรือมีปัญญายาณเท่านั้นคนโง่คนไม่รู้จะมีญาณไม่มีไม่ได้แต่ก็จําเป็นฟังแล้วจดจํานําไปปฏิบัติได้ยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะมาชอบเอาเรื่องตัวเองมาพูดตัวเองเนี่ย เคยสูบบุหรี่สมัยนั้นสูบบุหรี่ติดหนักเมื่อหมดบุหรี่แล้วคนสูบบุหรี่กลายไปไกลๆประมาณจักสิบวายี่สิบวาก็ตามเนาะกินบุหรี่คนเพื่อนๆ เ, เดินไปในสูบแล้วกินมันมาโดยที่สูบเอาหังมีแรงอันนั้นไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์ทำงานอย่างต่ำที่สุดเลวร้ายที่สุด เมื่อรู้ธรรมะอาจียนจกข้อห้ากวกออกมาทันทีอ๋อนี่ไม่ใช่ของง่าที่จะทำมันเป็นพุกมันทำความเดือดร้อนให้แกเรานี่อันนั้นเป็นยานของปัญญาลูบัด น, นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องอาศัยยานและฟังนวมัสาาสนา จ, จึงแปลว่าคำสั่งสอนบุคคลที่รู้พูดได้มันเข้าหูคนคนต้องจดจำเอาได้ สิ่งที่ไม่สมควรที่หน้าที่ของเราจึงไม่ควรทำยังสุบูรีเนี่ยเขาว่าเงินของเราซื้อได้คนใดไม่สุบูรีแล้วสังคมไม่สูงสังคมของคนพานเท่านั้นบัณฑิตเนี่ยจะไม่แตะต้องสิ่งที่เวลวร้า ย, ยาว่าอเสบนาจะพารานาการคบคนพานนี่แหละมันจึงไม่ควรพบแต่คนพานในที่นี้ จะนํามาเล่าสู่ฟังคือจำพวกนี้หรอเป็นมงคนอันสูงสุดทันว่าอย่างไรคือมีถามไปถามพระพุทธเจ้าว่ามงคนอันที่สูงสุดอันที่สมควรมนุษย์ควรทําคืออาจเอบ้างกันบันี้กระอะเสวรรณาจะภารานะักางการเสพคนผานหรือคบคนผานเนี่ยไม่เป็นหน้าที่ของเราจะควรครบควรงดเว้น หนีจากคนพาลคนพาลที่ดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเกียดค้านการงานอันนั้นคนพาลที่เป็นตัวเป็นตนย่างมาให้เราเห็นเราหนีได้ทันทีแต่คนพาลที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนั่นแหละคืออวิชาก็ว่าได้หรือว่าคนโง่นั่นเองคือมันมัก ชอบทำไม่ใช่เป็นธุระของมนุษย์ไม่ใช่เป็นการงานของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้จึงบอกโอคนผานกับบรรดิตใกล้กันที่สุดอยางนั้นคนที่มีปัญญาจึงจะมองเห็นสภาพหรือสีวิตจิตใจของตัวเองที่มันคิดขึ้นมาสิ่งที่เลวร้วายเราไม่ควรทําจึงงดเว้นปราศจากคนผานได้ คือคนพาลจิตที่เป็นอกุศลธรรมคือโทสะโมหะโลภะหรือว่าคขมหลงผิดนั่นเองเรียกว่าเป็นคนพาลบัด น, นี้ตรงกันข้ามบัณฑิตตานัญจะเสวนาปูซาจะบัณฑิตเดี๋ยวนี้เราไปนิโยมกันศึกษาเราเรียนสูงสูงเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตจริงอยู่บวชนานๆเราน ว, ว่าเป็นบัณฑิตจริงอยู่ เรียนนักทมตีโทรเอกจงจบประโยคเก้าจึงอยู่เราจะไปอยู่กับบัณฑิตเช่นนั้นอยู่ไม่ได้เพราะการงานอาชีพของคนไม่เหมือนกันบัณฑิตในทีน่นี้ท่านว่าคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาสภาพนี้เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตคือนักปราชญ์บุคคลที่รู้นั่นเอง ดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงจดจำนําไปปฏิบัติได้คําว่าบัณฑิตในทีน่นี้อย่าไปเข้าใจว่าบวชนานๆศึกษาสูงสูงอันนั้นยิงอยู่บัณฑิตสภาพนั้นยังไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองต้องมองเห็นสภาพหรือชีวิตสิ่งที่ซื้อไม่ได้จิตใจสิ่งที่ซื้อไม่ได้ขายไม่เป็นเราเห็นสิ่งนี้เนี่ย สิ่งที่ประเสริฐที่สุดเรียกว่าบัณฑิตคือผู้เห็นแจ้งรู้จริงอย่างนี้จึงเปลี่ยนแปลงสภาพการพูดไม่ได้ดังนั้นขอให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ให้จริงๆถ้ามาที่นี่จึงพูดแล้วว่าตื่นเถอะมาที่นี่มองลงที่นี่อยู่ที่นี่และไม่ต้องสู้และก็ไม่ต้องหนีสู้ไม่ได้หนีไม่ได้ ต้องดูสภาพชีวิตจิตใจของเราจริงๆการศึกษาธรรมะมันเป็นเองธรรมะจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จะคาดคิดเอาไม่ได้ไม่ได้จริงๆเรียนสูงๆแล้วตีปัญหาเอาได้ไหมไม่ได้มันต้องเป็นเป็นแล้วจึงจะรู้จึงจะเข้าใจจึงจะสัมผัสสิงนั้นได้ถ้าหากว่าเรายังไม่เป็น ไม่ตรงอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ตีปัญหาไปอย่างที่ว่ากินเท่าไหร่ไม่หายอยากอันนี้ก็เหมือนกันเราทําบุญเท่าใดก็ยิ่งทํายิ่งทําก็ยิ่งได้บุญมากอันนั้นจริงอยู่จริงอยู่จริงอยู่เฉพาะบุคคลขาดคิดเอาเท่านั้น คำว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นเองมันเป็นกฎธรรมชาติสนิดหนึ่งที่มันตายตัวลงไปเขาเรียกว่าสภาพภาวะเส้นนั้นแหละเรียกว่าอาการเกิดดับคำว่าอาการเกิดดับนี่ไม่ใช่จิตมันคิดแต่มันเกิดที่ตรงนั้นแล้วมันดับลงที่ตรงนั้นหรือมันเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างนี้มันหยุดแล้วดับอันนั้นเป็นสภาพคนที่ไม่รู้ ไปเรียนหนังสือมาโดนเดานึกคิดเอาเองแต่สภาพภาะวะอาการเกิดดับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนั้นคือมันเป็นเองยิ่งว่าเหมือนกับกุญแจกุญแจมันปิดอยู่และมีลูก เ, กเล็กๆสอดเข้าไปในรูในตูดมันบิดขึ้นไปได้จังหวะมันไขเองมันเป็นเองความเป็นเองนั่นแหละมันมีอยู่ในคนทุกคนจริงไม่ยกเว้น เรื่องนี้เรียกว่าสภาพภาวะอาการเกิดดับท่านยังย้าลงไปอีกเพื่ออยากให้คุณศึกษาเรื่องนี้ว่าคนเกิดมาร้อยปีมีอายุเป็นอยู่ร้อยปีถ้าหากยังไม่รู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับเช่นนั้นชีวิตบุคคลคนนั้นเป็นหมันแม้ความสุขก็ไม่รู้ความทุกข์ก็ไม่รู้เรียวาเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เรียกวโมคะ ใจไม่ได้ทําไม่ถูกต้องทันวาอย่างนั้นและตรงกันข้าวว่าสู้บุคคลที่เกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจหรือสภาพภาวะนั้นได้มีประโยชน์กุรอดีกุรอบุคคลผู้ที่อายุเป็นอยู่ร้อยปีและบุคคลเกิดมาวันเดียวนะ่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านเห็นไหมพิคเคียงก็ไม่ได้อุจจาระปัสสาวะที่ตรงนั้น ไปไม่ได้แล้วมันจะสามารถรู้ภาวะอาการเกิดดับที่พระพุทธเจธ้าท่านสอนนั้นได้ไหมไม่ได้คนมีปัญญามันต้องรู้อย่างนั้นดังนั้นพวกท่านมาที่นี่เป็นนักศึกษาก็ณีอะเป็นข้าราชการกรณีลาราชการเนี่ยก็ณีบางคนหมดกระเชียนทําการนั่งเป็นข้าราชการเอาเบี้ยตานานก็ณีบางคนเป็นพ่อค้าประสาส่วนก็ณี และคนก็ยังหนุ่มๆไม่มากอายุอายุไม่เกินห้าสิบหกสิบปีอายุภายในสามสิบปียี่สิบปีหรือว่ายัางมากกันในะเกินสี่สิบปีเป็นจำนวนมากควรที่จะจดจำเรื่องนี้ให้ได้แม้ท่านพูดอีกว่าบวชมานานๆในร้อยพันษาร้อยพันษานะบวชมานานๆรนะ้อยพันษา แต่ยังไม่รู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับเช่นนี้การบวชบุคคลผู้นั้นเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เป็นโมฆะนั่นเองเรียนสูงสูงถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้ท่างกล่าวชีวิตบุคคลผู้เช่นนั้นอย่างเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เป็นโมฆะนั่นแหละโมฆะเนี่ยคำว่าโมฆะคํานี้แปลว่าใส้ไม่ได้ใส่ไม่ได้งานศึกษายอย่างนี้ใส้ไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้น บัด น, นี้ในทางตรงกันข้ามบวชมาเพียงวันเดียวและสภาพอาการเกิดดับรู้เห็นเข้าใจเป็นอยู่มีอยู่ในสภาพนั้นดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปีท่านวนะ่าอย่างอันนี้พูดความจริงสู่กันฟังไม่ใช่แป้งพูดไม่ใช่แป้งทําดังนั้นจึงว่าควรศึกษาเรื่องชีวิตจริงจึงจึงว่า มาที่นี่ดูที่ตรงนี้ดูที่ไหนดูสภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นวัตถุมองเห็นได้จับถูกด้วยมือแตะต้องกันได้สิ่งนี้ก็มันเป็นเปลือกเป็นกะพีและมองเข้าไปถึงส่วนลึกเ้นหายใจเข้าหายใจออกนี่กระโยชน์ส่วนลึกเพราะมองไม่เห็นจับถูกไม่ได้แต่ว่าเห็นสภาพ บุคคลที่ตั้งใจดูว่ามันหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดเราจะมองเห็นได้อย่างนี้ลึกๆเข้าไปส่วนหนึ่งคือจิตใจของคนมันคิดไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นตนไม่เป็นตัวจึงพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าเป็นคนมักลืมตัวอย่าเป็นคนมักพูดเรื่องของคนอื่น ให้พูดเรื่องตัวเองสอนเรื่องตัวเองให้มากเยว่าอันนี้เรียกว่ากินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นคือคนมักพูดเรื่องคนอื่นรักคนอื่นก็รักตนชอบพูดแต่เรื่องคนนั้นดีเรื่องคนนี่ชั่วคนนั้นมีอัตราเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มีความรู้สูงสูงเป็นคนลืมตัวทั้งนั้น ของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่ไม่น่าพูดสิ่งที่ไม่น่าคุยสิ่งที่ไม่น่าสอนเอามาพูดเอามาสอนทำไมเพราะเรื่องอะไรเรื่องของปู่ทุศนแม้ไม่พูดไม่สอนเขาก็รู้เพราะอันนั้นเป็นสภาพภาวะของบุคคลที่ไม่รู้เรื่องของบัณฑิตเรื่องของนักปราชญ์จริงๆนั้นทำไมจึงไม่พูดมันเป็นเพราะเรื่องอะไรปู่ กลัวจะเสื่อมศรัทธาของบุคคลผู้มีศรัทธาอาตามาพูดด้วยความจริงใจว่านนี้ที่นี่นี่เมีโยมมาจากกรุงเทพเคยทำบุญมามากถูกเขาหลอกไปทันวันนี้แล ะ, ะโยมคนนั้นน่ะแต่ไม่ต้องพูดซื้อเสียงแหละไปเจริญสติที่วัดสนามหนด้วยอาตามาก็เลยรู้จักภาวะเรื่องรูปนั้นเอาเงินให้อาตามามือหนึ่ง ให้มาสร้างสำนักวิปัสนาแต่ว่าสร้างไปแล้วแต่ไม่พอรับเงินหมืน่มนเดียวมันไม่พอรึอึดใจเดียวก็หมดเพะอาจจะมาเป็นคนชอบจ่ายสตางค์ท่านว่ามีอาจารย์สอนว่าสร้างสำนักวิปัสนานึกว่าสร้างในน้อยทีแรกว่าสร้างสักหมื่นก็พอที่สุดหมดเงินสี่แสนบาทเอาให้เท่าไรก็ไม่พอก็เลยสร้างไป คนที่สุดเงินสี่แสนนั่นไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าได้บุญมากตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์แต่คนไม่มีบุญจะเอาบุญให้คนได้ไหมไม่ได้สมมุติอย่างโยมคนนั้นแหละไม่มีเงินเอาเงินให้คนไม่ได้จำเป็นต้องคนมีเงินจึงจะให้เงินคนได้คนไม่มีเงินจะเอาเงินให้คนไม่ได้และคนไม่รู้จักวิธีหาเงินจะสอนคนอื่นให้หาเงินไม่ได้ คนต้องเคยรู้เคยเข้าใจและว่ารู้จักวิธีนี้ซื้อแล้วไปขายได้กำไรจรึงจะสอนบุคคลที่ไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาได้ดังนั้นการสอนการพูดเรื่องดูจิตดูใจก็เช่นเดียวกันถ้าหากไม่รู้จริงๆแล้วจะพากันเข้าป่าเข้าดงไปด้วตาบอดหลงทางไม่รู้ทางไม่ถามใครเดินไปนั่นแหละหนีจอราแค่ใหญ่แล้นลงน้ำ ผลที่สุก็ตายเองเรื่องนั้นดังนั้นจึงแสวงหาบุคคลที่มีความรู้จริงๆสามารถจริงๆถ้าหากไม่รู้ไม่สามารถจริงๆแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตนี้มันไหลไปเหมือนกับน้ำเลยที่เรามองเห็นนี่แหละมองเห็นนี่แหละมันจะไหลไปอย่างนั้นไม่มีทางสิ้นสุดจริงๆดังนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยยกไว้ให้โลกเสีย เราต้องพากันเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่พระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่พระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่